สวัสดีครับการสวดมนต์เป็นสิ่งที่สําคัญและส่งผลดีมากมายให้กับชีวิตนะครับซึ่งมีผู้ให้ความสําคัญและสวดกันเป็นประจำเป็นบุญที่ทําได้ง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเดินทางไปไหนแต่กลับได้อ น, นิสงผลบุญมากมายแต่สว่านผลบุญมากมายแต่สวดอย่างไรละ่ะถึงจะได้อ น, นิสงผลสวดริงได้ประโยชน์จริงผล่อย่างให้ทดลองฟังให้จบ ท, บทสงบุญมากมายสวด่างไรล่อนนะครับ เพื่อความเข้าใจที่จำเป็นอย่างยิ่งและมีผลต่อความสุขในชีวิตของตัวท่านเองการฟังหลักการให้เข้าใจจำเป็นมากนะครับและไม่ควรละเลยเหมือนคุณจะเดินทางก็ควรศึกษาแผนที่ก่อนไม่งั้นกว่าจะรู้ตัวว่าหลงทางก็คงจะสายไปแล้วการฟังอะไรก็ตามนะครับแม้จะรู้แล้วหรือเคยฟังแล้วก็ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะธรรมะ ซึ่งต้องใช้เวลาในการฟังให้เข้าใจหลายครั้งเพราะเวลาประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละคนจะทําให้มีปัญญาลึกซึง้งและเข้าใจอะไรได้ละเอียดขึ้นหากคุณเคยฟังธรรมะหัวข้อเดียวกันแต่กลับมาฟังซ้ําปีละครั้งคุณจะได้พบเลยว่าที่เคยคิดว่าเข้าใจแล้วนั้นยังเข้าใจไม่ถูกต้องและไม่ดีพอธรรมะลึกซึ้งกว่าที่จะใช้ตัวหนังสืออธิบายนะครับยังมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวหนังสือ หรือคำที่คุณเคยคิดว่าเข้าใจอีกมากสําหรับผู้ที่สนใจไฝ่รู้จริงๆจะไม่ดูถูกแม้คำสอนง่ายๆหรือคิดว่าตนรู้แล้วเขาจะตั้งใจฟังด้วยใจที่พิจารณาอย่างแยบคายและการฟังอะไรซ้ำๆก็เท่ากับเป็นการได้ทบทวนอีกด้วยนะครับแนะนำว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าเก่งแค่ไหนแล้วก็ควรเปิดธรรมะที่เคยเปิดฟังไปแล้วฟังซ้อีกสัก 2- สมรอบ แต่ทิ้งช่วงให้ห่างกันสักหเดือนหรือหนึ่งปีก็ดีนะครับแล้วคุณจะเข้าใจด้วยตัวเองว่าถึงเวลากลับมาฟังซ้ำจะได้พบอะไรใหม่ๆอีกมากมายจากของเก่าที่เคยฟังมาแล้วจนคุณต้องแปลกใจเลยทีเดียวสำหรับช่วงต้นจะเป็นบทความเกี่ยวกับการสวดมนต์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันนะครับแล้วตามด้วยการสวดแบบเน้นความเข้าใจด้วยภาษาไทย ทั้งบทอุปปาจสันติแปลไทยล้วนและกับบทอุปปาจสันติย่อรวมกับบทสวดมนต์ประจำวันเป็นภาษาไทยล้วนเช่นกันนะครับ